กระทั่งถึงที่สุดของประโยชน์ได้อย่าหวังเพียงแค่ระลึกถึงแล้วจะได้บุญเท่าเดิมเลยครับดังตรินน ย, ย่น่ตงไปครสบทบความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20ประจำวันที่12กรกฎาคมพุทธศักรา 2, ช2550ดาวโหลดสิงอ่านและอ่านหนังสือของคุณดังตรินทั้งหมดได้ฟรี ที่ www.dangtrin.com D-U-N-G-T-R-I-N.com สิ่งอ่านงานของคุณดังตรินทั้งหมดสามารถนําไปเผยแพร่เป็นธรรมทานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นเฉพาะธรรมทานเท่านั้นพังยับเยืนเศร้าซึมเมื่อเล่ยวแลกเห็นความนา ัวที่เคยจองจำลึกล้ำในอนดีตเยื่อใยที่ฟังลึกกินใจหมด้